อยากามนิทานเรื่ออะไรเรื่องคนเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีความสุขมีไหมมีนะคนชอบเกิดแล้วเขาคิดว่าความเกิดเป็นสุขขนาดเห็นขี้ยังเป็นสุขเลยติดหรือ เรื่องนิทานสมัยหนึ่งคนเนี่ยไม่น้อยนะพอใจที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ล้อพอใจมีความพอใจมากเลยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะตัวเองก็ไปเกิดในยุคสมัยที่คนนะ่ะมีกรรมรบุญติดนนั้นเป็นสมัย ที่มีพระพุทธเจ้าประบอติะเกิดในโลกแต่ว่าคนคนกลุ่มเนี้ยอยู่ห่างไกลในดินแดนที่พระพุทธเจ้าประกาศคําสอนแต่บังเอิญว่ามีคนได้มีโอกาสได้ไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์แล้วก็มาบอกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหม คนทุกคนเหล่านั้นน่ะมีความเห็นดีเห็นงามไปด้วยกันเขาเขาไม่มีจิตใจยื้อแย่งกันไม่ไม่มีเป็นโดยพื้นฐานของใจเขาไม่ยื้อแย่งกันเขาแบ่งปันกันเขาช่วยเหลือกันถึงแม้เ้าจะอยู่ในฐถานะที่ไม่ได้ร่ารวยอะไรแลคนที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านนันเป็นอย่างไรคนที่จะอยู่ร่วมกันแบบนี้ยยังมีความสุขที่ว่าเขาว่าสุขกเพราะว่าเขาไม่สูกเดียดเบียน ยิ่งใคจะมีความลำบากในเรื่องการประกอบอาชีพบ้างแต่การถูกปิดเบียนเขาไม่มีคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติเขาจะคอยช่วยเหลือคอยให้ทําส่งเครากันตลอดคนมีไอ้นั่นท่านไม่มีไอ้นี้เขาก็หยิบยื่นให้กันมันก็เลยเป็นสังคมหมู่บ้านหมู่หนึ่งที่ต้องมีแต่ความสุขอย่างนั้นแล้วบังเอิญว่ามีคนได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อุปนิสัยของคนหมู่เนี้บ้างคนหลาหลังนี้ยถ้าทรงเทศเรื่องของสิ่งสิ่งสิ่งห้ากรมวุ่นสิ่ก็จะทําให้กันเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าทรงไม่ทรงไม่เทศสูงไปกว่านั้นเพราะว่าคนเหล่านี้ยังไม่เพียงพอในเรื่องของกํำลังใจถ้าผู้ในเขาเห็นทุกข์เห็นอะไรก็จะรับฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะวันเวลาที่เขาอยู่ เขาไม่เคสนใจเรื่องความทุกข์แต่เขาสนใจในสิ่งที่ได้รับกันช่วยกูลเส้นกันและกันว่ามันคือความสุขคือถ้าเขาเป็นําบากก็มีคนช่วยนั้นความทุขมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องแบกนะไม่ต้องแบกถ้าเขามีเขาก็าช่วยคนอีกอย่งเงี้วต่างคนต่างช่วยกันประคองความทุกข์ให้มันคลายตัวแต่ว่าเขาก็เลยว่าไอ้การอยู่ในในสภาพที่เขาอยู่กันแบบนี้เขามีความสุขเพียงพอแล้ว ดังนัน้พระองค์ก็ทรงไม่ไม่ได้แสดงธรรมในเรื่องของทุกข์ให้เขาฟังแต่แสดงในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการเป็นผู้ที่มีจิตห้าความประมก็เป็นที่สุขอกสุขใจของคนที่เขาได้ไปฟังมาแต่ว่าระยะจากหมู่บ้านนี้ไปหาพระพุทธเจ้าน่ยมันไกลามากในแท้เนการเดินทางอย่างน้อก็สามเดือนถึงจะถึงแตไม่ก่อนเดินทางมาางันลบากใช่ไ่มสามเดือน และใจคนทุกคนจะมีโอกาสไปฟังอีกครั้งจากพระพุทธเจ้าคงจะยากแต่เขาก็ไม่ได้ฉลาดที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาตอนนั้นเขาไม่ได้คิดคิดดูว่าเขาดีใจมันจึงตามดีใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยมันตรงกับอุปนิสัยของเขามีอยู่แล้วฟังแล้วก็เลยชอบใจศรัทธาศรัทธาเขาก็เลยกลับมาบอกกับผู้คนว่าเขาได้ยินได้ฟังอย่างนี้มา ถ้าเราปฏิบัติเราจะมีความสุขกันนะเราจะมีความสุขกันมากนะแล้วก็ทํากันเลยทุกคนไม่ว่าจะเด็กที่เกิดมาใหม่ก็จะถูกถูกสอนให้ทําอย่างนี้กันมันเป็นกรรมพันทุกมั้งพันทุกกรรมที่คนอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งที่เลวร้ายต่อกันเลยคนที่จะไปเกิดที่นั่นจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจแบบนี้เหมือนกันนะจึงจะไปเกิดนดินดาตรงนั้นได้ถ้าคนมีจิตใจโลภลบมากแม้ว่าเห็นจะตตว์ไปเกิดที่นั่นไปได้ถ้าไปเกิดอีกกลุ่มคน แล้แต่นคนเกิดในประเทศไทยประเทศจีนประเทศลาวก็เป็นคนเฉพาะที่เขามีอุปนิสัยคล้ายกันคล้ายถึงกันใช่ไหมนั่นก็เหมือนกันเมื่อเขาได้ฟังสิ่งที่ท่านผู้รู้เนะี่ยที่ไปรู้ฟังมาได้อธิบายเขาฟังทุกคนทําตามหมดทำหมดแต่ยุของเขาตอนนั้นมันไม่ได้ยืนยาวนานนะแต่คนก็ต่างตายตายกันไปแต่ในความที่เขาตายไปเขาก็ไปอยู่ ไปสวรรค์กันนะเพราะว่าความดีมันมันเขามีอยู่ก็ไปสวรรค์เขาก็ไปเจอกันหมดนะไปเจอกันก็เลยรุ่นรุ่นลองลงมารุ่นลองลงมาเรื่อยๆไอ้รุ่นแรกๆเขาก็ไปเจอกันไปเจอกันอยู่บนสวรรค์นั้นมันนานเพราะว่าความดีที่เขามีติตใจเต็มด้วยความเมตตาผูมิหานสีกามีสักการมันจะไม่ค่อยอยู่บนสวรรค์ได้นานไอการเจกันของคนหลายๆรุ่นมันก็ไปสะสมไปหลงๆกันในที่ๆเดียวกันใช่ไหมมันก็คนชอบ สดมนก็ไปโยงมาที่ไหนอะท่านเยามานะอ่าคนชอบสบายสังกษีเก็ไปอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละวะในมารดีนะเรียกว่าคนเรียกว่าสวัสดีเขาไปเจ้าอนะ่ะก็จะอยู่ที่เดียวกันอ่คนชอบทำมั่งเล่นมั่งสนุกมั่งก็อยู่โน่นอะ่ะดาวเดมรวมๆกันหมดนะอ่ะอ่อย่างนั้นุกเคราวลุกคล้ า, าและคนโหดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เดียวกันจนนาน แล้ววันหนึ่งว or ่าถึงเวลาที่จะหมดบุญวาสนาจิบสิบบางคนมันหมดบุวาสนาแต่คนมันยังไม่หมดบุญวาสนาแต่เขามีความเห็นพร้องต้องการว่าเขาอยากเกิดให้จะไปเกิดจนมันยังไม่หมดนะอ่ไอ้คนหมดบุญมีแต่คนอื่นมยังไม่หมดบุญเจ้าวามดีเขามันสังใจเขาแล้วถึงจะไปเกิดเขาก็ต้องเป็นคนที่ดีและที่ดินแดนเขาจะไปเกิดก็ต้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ต้องดีเลยถูกไหม คนล่นี้ก็ได้ไปเกิดจะไม่ได้เกิดโลกมนุษย์เกิดอีกโลกห่วันจักรวาลเนี่ยที่มีหลายหลาจักรวาลาต้องเกิดอีกโลกอีกแดนของเขาที่นั่นเป็นดินแดที่มันมีความอดมสมบูรณ์ในทั้งพร้อมด้วยพันยาหานของเขานะอดมสมบูรณ์ไปเกิดก็จิแกของเขาก็จะเอกุลเช่กันแล้วกันอันนี้มีอายุมันยืนยาวนานป่าแต่อายุมันไม่สาคัญเพราะเขาไม่คิดถึง เขาคิดจะเรื่องที่เขาอยู่ร่วมกันเขามีความพอใจเป็นสุขแล้วคนเราเกิดที่นั่นแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดอย่างนี้ตายไปเกิดอย่างเนี้ยจะมีวันหลุดพนจากสิ่งนี้ได้ไหมมันยังยากกันนะใครจะไปแนะนําให้เขาโอ้ยอย่าไปเกิดเลยอย่าไปเกิดเลยแ้าเขาคิดว่ามันเป็นความสุขถ้าเขาลำพังเขาคนเดียวแล้วมันมีคนขอประตุจะไล่เขาแคนมันอยากจะเกิดอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยนะเออจะอยู่ใน แค่ครอบครัวเรานี่ยถ้าพ่อดีแม่ดีลูกพิงมันมีความสุขนะมันไม่อยากไปไหนนะไปไหนก็อยากกลับบ้านไปไหนก็อยากกลับบ้านเพราะเห็นหน้าทุกคนก็ยิ้ ย, ย้มแจ่มใจที่งไอยู่ข้างนอกมันก็จะหน้ายักไอ้กลับบ้านจะอบอุ่นใช่ไหมอบอุ่นใจในชีวิตที่เขาใจของเขามันไม่ไม่ขอดถอนความรู้สึกอว่านี่คือความสุขอยู่กันอย่างนี้มีความสุขพอแล้วถึงแม้ว่าชีวิตจะต้องไป ต้องทำมาหากินบ้างนะเป็นเหนื่อยบ้างอะไรก็ตามแต่เขาไม่เห็นเป็นความหมายว่ามันมีสารละอะไรกินไ้เข้าได้มากจริงคือว่าการที่มีความจิตใจไม่ดีต่อกันนี่มีจิตใจไมตดีต่อกันถ้าเป็นเราบ้างนะหลงได้ไหมหลงได้นะก็ได้ไปอยู่แบบนั้นเท่านะไม่ไม่อยากถอนใช่ไหมโ อ, อ้โหมันสบายนะทุกคนก็ยิ้มนะเออขาดอะไรเขาก็ช่วยเขาก็ให้นะ อย่างนี้มจะไปอยากไปใจที่ไหนล่ะอืมี่เราจะทให้คนเหล่านี้เาละจากที่นั่นไปที่อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณยากแล้วยากนะเไ อ, อ้ที่ที่เกิดมันมีไม่จำเป็นต้องมาโลมนุษย์นี่กอื่นมันก็มีแล้วไม่ต้องไหนดวงดาวไปที่มันสามารถจะตรงชีวิตอยู่ได้อยู่ได้ ในจั ก, กรวาลเราได้หลายๆจักรวาลก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายที่มันมีความเหมาะสมที่สามารถทําให้ธาตทั้งสีประชุมรวมกันแล้วอุ บ, บัติเกิดขึ้นอมันมีความอุณหภูมิพอดีแต่ไ ม, ม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปถ้าหนาวบ้างๆนี่นนก็โคโล่มันก็ ม, นมีแต่ไม่ใช่ถ้าจไปอยู่ไปยากไปแล้วคนลมเหนือยคโลมใต้ของเราแค่ได้นะนะมันก็เฉพาะโซ่กลางๆ ก, ก็จะมีมนุษย์อยู่กัน ตรงข้าบนข้งางหน้ามันก็จะไม่หนไมเน่เวลาเรามองอย่างคนมองจากที่สูงมองลงไปแค่เห็นแค่โลกก็จะเห็นส่วนบนใช่ไหมไอ้ส่วนบนก็เห็นว่าโลกนี้เขาไม่มีมนุษย์นั่นก็ผ่านไปดวงดาวบางดวงก็เหมือนกันว่าบางทีเราดูอีกซีหนึ่งมันไม่มีมนุษย์แต่อีซีมันมีมนุษย์อย่างนี้ยอ่มันไม่ได้อยู่กันทั้งดวงใช่ไหมล่ะอ่านี่ทีพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่า ไอ้คำว่าที่เขามีความสุขแล้วมันถอดถอนยากคนเหล่านี้ก็ต้องเวียนไหวใจเกิด อ, อยู่แค่นี้ขึ้นขึ้นล ง, ลงลงขึ้นขึ้นลงเขามีโอกาสที่จะไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เขาก็ตั้งใจมาเกิดเป็นมนุษย์เขาพูดคือคาเดียวเหมือนกันหมดว่ามนุษย์เป็นที่ที่เป็นสุขเป็นแดนที่ไม่วุ่นวายอ่าไอ้อย่างเราบอกว่าวุดหวายหนอะทัดท้องหนอะใช่ ไอ้เขาไม่วุ่นวายหนอไม่มีอะไรขัดข้องเลยทุกอย่างได้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่เขาอยากได้แต่เขาไม่มีคนอื่นาจัดหาให้หาให้แล้วคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้ได้ไปเกิดตามดวงดาวต่างๆมีเยอะนะไม่ใช่น้อยนะยังมีเยอะมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับโลกม น, นิดหน่อ ย, อยเองคนเราเกิดเป็นมนุษย์ยมีพลาท่านไป มีพระท่านไปบางดวงดาวจะมีพระท่านไปสอนแต่ท่านก็สอนให้เขาปฏิบัติอย่างนี้มากกว่าจะสอนให้เขาเล่กทุกข์คงพูดไม่ได้ให้เขาได้เกิดมีความรักศรัทธาต่อพระศาสนามันเป็การปลูกฝังใจเขาไว้บ้างว่ายามใดที่เขาได้พบพระพุทธเจ้าบนสวงสวรรค์ไม่แน่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาอาจจะทําให้เขาเห็นความจริงได้กว้างขวางกว่ามากกว่ามันกบอยู่ในกะลา เลยว่นะในการที่ต่อเติมเขาเรียกว่าเติมให้เขามีความรักศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นผู้มีอะไรเขาเรียกอะไรเป็นพุทธมามัตตานะออย่างเงี้ยมันก็เป็นเชื้ออย่างหนึ่งซึ่งวันข้างหน้าโอกาสที่จะเกิดต่อไปถ้าต่อต่อไปมันไม่แน่นะไม่แน่บุญบุเนี่ยมันบังคับกันได้นะบุญที่เขาไปทเคารมศรัทธาพระพุทธเจ้จาเขาต้องไปเกิดหน้าดินแด น, นที่พระพุทธเจ้จาอุบัติ ถูกไหมอ่านี่คือบุญส่วนที่อับไร่ของข พ, พุทธานุภาพนี่แต่ตอนที่เขาเกิดไปเกิดขึ้นขึ้นลงลงมันไม่มีเรื่องพระมาเกี่ยวเครื่องด้วยเกี่ยวข้องด้วยมีแต่เรื่องที่เขามีภพิหารสีซึ่งมีความรักกันให้ต่อกั น, นเป็นตัวช่วงโยงให้เขาอยู่หน้าที่ที่เขาต้องการอ่าดังบางดวงแลือบางที่ที่มนุษย์มีอยู่พนะระที่ท่านไดอาจิญญาสมาบัติกะดีท่านที่ละสังขารไปแล้ว แตจะพราะชาติังหลวงพ่อพงศลาร์แม่ก็จะไปโปรดที่นั่นที่นี่แล้วที่ที่นั่นเขาเคยมีความเคารพในพระเคารพในพระเขาจะเห็นชุดอย่างนี้เขาจะรู้เลยว่าพระมาโปรดเขาแต่ท่านก็ไม่ได้ไป่อยแต่เป the like ็นระยะระยะระยะอย่าลองคิดเอาซิว่าคนเราขว่าจะถึงนิพพานมันยากขนาดไหน ยากนะยากมากแล้วยามที่เราทุกข์ันคือกำไรชีวิตนะนะถูกไหมอ่าอย่ามาเลยคิดถูกเออมันมันท้าทายทำให้เราต้องละถูกไหมอ่ถ้ามันสุขแต่และเนี่ยมันไ ม, ม, นไม่มันไม่คิดนะลืมนะใช้คำวามม่าเหลือไม่ใช่เลย <laughs> มาลองดูสิทางเดูไม่อยากาแต่พูดถริงว่าถ้าเราเริ่มที่มีพกักฒณะแปลในใจเนี่ยทางเดิน ม, มันจะแคบลงนะมันแคบลงแต่ถ้าเราไม่มีซะเลยเนี่ยโอ้โหถึงให้เราทุกข์แค่ไหนก็ยังกว้างกว่ามไมเกินยังได้อไกลนะอีกไกลมากกว่าจะพน้น ในการที่เรามีปรัชนาใส่ท่านกจะชอบพูดเหมือนอย่างสมเด็จวัชเกตอ่ะเป็นพระโสศาจารอ์อาจารย์เวลาท่านมาสแสดงธรรมที่วท่าสุนต์ทุกครั้งท่ใชจะพูดว่าหนักแน่นในปรัชนาใส่ใช่ไพูดบ่อยมาคำของท่านเนี่ยมันตรงที่สุดนะตรงที่สุดเพราะว่าอะไร มือนว่าเป็นบันไดที่ทําให้เราพ้นทุกข์อ่ะถ้าเราไม่หนักแน่นกับสิ่งที่เราจะเดินก้าวเท้าไปเนี่ยโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์มันยากมากเลยยากมากเนีามรักมันช่วยพ้นทุกข์ไม่ได้จริงไหมเนี่ยเขารันกันเขาอยู่รวมกันเป็นกลุมเนี่ยเขารักกันเมตตากันตรงข้อเป็นการันตีจริงๆแล้วมันก็โดยภาพแล้วมันก็ได้รักเลยนะมันก็จะเป็นความสุขที่ชุ่มชื่นใจแต่มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นสุขอนแท้จริงวันใดวันหนึ่ง จะขับพัพดซากกันเผยกันละก็เผยกันนะเผยไปเรปื่องบางอ่าที่มันไม่ดีขึ้นมาถนะึงว่าโลกไ่อ่โอเคมันยังมีที่ที่ดีอยู่ก็ เ, เกิดตรงนั้นดีแต่ไว้รอบๆมันไม่ดีแล้วไม่มีที่พึ่งที่ระลึกไม่ถึงเลยจะต้องโหยหาไหมแนละ้วเมื่อใดที่ไปเจอเจอคนที่เดียดเบียนจะรู้สึกยังไงไม่ชอบ เนะดัจะไม่มีความรู้สึกไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่อยากอ ย, กอยู่ตัวทิศที่ตรงนั้นมันเป็นสังคมที่เขาไม่อยากแตกต้องถ้าหนีไปไกลๆได้คงหนีไปแล้วยันนี้ก็มีนะคนที่มาเกิดได้มีความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเคยผ่านชีวิตที่อยู่ในสังคมที่มีจิตบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์คือใจอนะนะมันไม่เด็ดเวียงกันใช่ไหมไม่เ อ, เอเรัดอัเเบียดกันเนี่ย พูดอะไรก็พูดในสิ่งที่เป็นตรงไปตรงมาในใจของเขาจริงๆมันทำให้การอยู่ร่วมกันมันมันสบายใจสบายใจถ้าไม่น่ามีนะ <Okay. S 1> มีถ้าแล้วมันก็มีเลยอะ <c oughs> ถ้าเราทุกคนเราไม่มไม่มีโอกาสที่จักอยู่ในรัฒนาใจจะเป็นยังไง ฉันก็เดาที่ของท่านไม่ถูกเหมือนกันรู้ว่าคงจะกระเจิยหน้าดูอา่าจะกระเจิยหน้าดูเหมืนกัน mm hmm. <laughs> นะไม่ใช่ไม่เชื่อแม่งขับไปเล่นของนิทานขอกลมแกลมกลมกลม mm hmm. <laughs> เดี๋ยวเล่ายาวเดี๋ยวปลาเข้ามามาันขัดของ <laughs> เราไปตีกันนะนนดวงดาวอื่นก็นับนะถ้าตีว่าเนนกิดในบรรลุนะนับนับการเกิดแต่ถ้าเรื่องของการบำเพ็ญบารมีไม่นับลงอื่นะอ่าบำเพ็ญจริงๆงใช่ใช่เมื่อข้าเก็ียที่ต้องการจะไปวิพาจริงๆ น, ะนับคะล่นหลังจากนั้น อย่างน้อยหนึ่งอาสองไข่ก็ไปแสนกับณะดิน์แดนโลกไปนี้เริ่มตอนอ้นมีจิตพอใจที่จะไปฏิภาณจริงๆนะรับก็เลยอย่างน้อยหนึ่งอาสองไข่ก็ไปอีกแสงกับเหลือแต่เลยจับมาเป็นจับไม่นับใของแถมอันนูอย่างเดียวอยเอาใจมาลด นับเท้ามารตันนั่นใจหลือตัดไม่นับลงนรกไม่นับไปสวรรค์พรมพักไม่ Bei นับนับแค่กันเกิดมันนับนับ่าติจีนหนึ่าติสอง่าติสามานับไปไหมไม่นับอ่าส่วนหนึงอ่าส่วนหนึ่งอันนั้มันก็ใีที่บารามิเขาได้เต็ม ไดาเต็มแล้วเต็มแล้วอย่างน้อยคุณก็ผ่านไปได้ในอาสงไข่ภูมิจแทนกับแนะแล้วคุณจะได้พักสวรรค์คุณจะไปได้พานข้างบนก็ยังพอไหวนะอย่างน้อยแล้วนะก็อ๋อถ้าฟื้นอดีตก็ได้แต่ต้องตาจากความเป็นมนุษย์ก่อนเออ